วันนี้ <c oughs> เป็นวันเสาร์ที่ส0สิบพฤศจิกายนพุทธศักราช2567 <c oughs> เป็นวันพระวันธรรมสวัสวนะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้สาธุชนพุทธบยุยสัตว์ผู้ไฝ่ธรรมได้หยุดวิธีการหาความสุขแบบทางโลกแล้วมาหาความสุขแบบทางธรรมเพราะความสุขแบบทางธรรมนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรที่จะอยู่คู่ไปกับใจไปตลอด ไม่เหมือนกับความสุขทางโลกที่จะอยู่คู่กับร่างกายไปชั่วขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่พอรางพอร่างกายตายไปความสุขทางโลกทั้งหลายก็จะหมดไปใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะไม่สามารถเอาความสุขทางโลกติดไปกับใจได้เลยแม้แต่นิดเดียว แต่สิ่งที่ใจสามารถเอาติดไปกับใจได้ก็คือความสุขทางธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมก็คือรส <c oughs> คือความสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วรถแห่งธรรมนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาในใจตามลำดับจากน้อยไปหามากจากการปฏิบัติที่น้อยไปสู่การปฏิบัติที่มากจนไปถึงขั้นปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ที่ทรงตัดเรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติแบบนักบวน ปฏิบัติแบบพระอริยบุคคลทั้งหลายทั้งปวงท่านจะทุ่มเทเวลาและจิตใจให้กับการปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวพอเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ความสุขต่างๆที่ได้จากสิ่งต่างๆนั้นเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่สามารถเอาติดไปกับใจได้ ไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติทำขั้นต่างๆจะเป็นความสุขที่จะติดไปกับใจเป็นที่พึ่งของใจได้ต่อไปใจจะไปดีไปสุกติไปสุ ข, ไป ส, ขไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดที่ดีตามลำดับจนถึงการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องอาศัยรถแห่งธรรม ที่ชนะรถทางปวงนี้ด้วยการศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาคำสั่งคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนมาปฏิบัติ mm. ถ, ถ้าศึกษาเพียงอย่างเดียวยังไม่ได้ปฏิบัติ mm. ผลก็ยังจะไม่เกิดขึ้น mm. การศึกษานี้มีผลอยู่ตรงที่ ให้รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้ว่าวิธีการปฏิบัติทมเพื่อให้ได้รถแห่งธรรมที่ชนะรสทางปวงนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรก็จะปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกลผลก็จะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างแต่ถ้าได้ศึกษา จนรู้อย่างอย่างชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างอย่างไรปฏิบัติมากน้อยอย่างไรแล้วพอรู้แล้วก็นำอาไปป ฏ, า ป, าปฏิบัติตามคำสอนทุกประการเมื่อปฏิบัติตามคำสอนทุกประการลถแห่งธรรมที่เป็นรถที่ชนะรถทั้งปวงก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาตามลำดับ ตามกําลังของการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติ<ม>ผลจะไม่เกิดจากการศึกษาเพียงอย่างเดียวการศึกษาช่วยสอนพวกให้ผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่หลงทางไม่ไปผิดทิศผิดทางให้ไปในทิศทางที่ถูก<ม>ที่จะนําความสุขความเจริญมาให้กับ จ, จิตใจตามลําดับ การที่เราจ ะ, จะศึกษาและปฏิบัติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจำเป็นที่จะต้องมีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมนั่นเองจึงเป็นเรื่องของวันพระที่พระเจ้าได้ส่งบัญญัติขึ้นมาเพราะรู้ว่าถ้าไม่บัญญัติวันพระสาธุชนพุทธบริษัสตร์ก็จะ ไม่มีเหตุที่จะทำให้หยุดการไปแสวงหาความสุขทางโลกก็จะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติมาหาความสุขทางธรรมได้ยึงต้องบัญญัติวันพระไว้อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันขึ้นมาเพื่อให้เป็นเป็นที่ที่ สาธุชนพุทธบริจัทจะได้เอาเวลามาให้กับการศึกษามาให้กับการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่จะที่ชนะรถทั้งปวงที่จะตามมาต่อไปจึงต้องมีวันพระวันพระท่านถึงได้ว่าวันธรมนธรมะสวรรคธรรมสวระก็คือการฟังธรรม การฟังธรรมท่านก็แสดงไว้ในมงคลละสุดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งกาเลนะธรรมะสวนังเอตัมังกัลลมุตตะมังการได้ยินได้ฟังธรรมตามตามโอกาสดันควรเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลก็เป็นประโยชน์เป็นสุขแก่จิตใจอย่างยิ่งนั่นเองพอท่านไม่ได้ยินได้ฟังธรรม ก็จะไม่ได้อานิสงส์ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมเช่นจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนธรรมหรือคําสอนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังอีกตามอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับจะช่วยกําจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้ จะทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิคือปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเช่นเห็นว่าความสุขทางโลกนี้สู้ความสุขทางธรรมไม่ได้ความสุขทางโลกเป็นความสุขชั่วคราวความสุขทางธรรมนี้เป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ใจที่จะต้องเดินทางต่อไปสามารถนำเอาติดตัวไปได้เป็นที่พึ่งของใจ ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ใจในในขณะที่ไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆแล้วก็จะทำให้เกิดความสงบจิตป่องสายขึ้นมาเวลาฟังธรรมแล้วจิตจะสงบเพราะจิตจะระ ง, งับจากความความคิดปรุงแต่งต่างๆเวลาฟังธรรมที่ถูกต้องขณะที่ฟังนี้ต้องไม่ไปคิดอะไรไม่ต้อง ไปพูดอะไรไม่ต้องไปทำอะไรร่างกายก็ให้นั่งอยู่เฉยๆวาจาก็ให้สงบสงบไม่พูดคุยกันใจก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหรือแม้กระทั่งจะใช้คำบริกรมพุโทโธก็ไม่ต้องใช้จะใช้การสวดมนต์ก็ไม่ต้องใช้ในขณะที่ฟังธรรมหรือดูลมหายใจเข้าออกก็ไม่ต้องดูขอให้ใช้เสียงธรรม เป็นอารมณ์แทนฟังธรรมไปเอาใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสที่หูเราก็เข้ามาที่ใจถ้ามีสติถ้าพิจารณาตามได้เกิดความเข้าเข้าใจก็ได้ปัญญาได้สัมมาสติด้วยถ้ายังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจว่าที่ทำที่ทรงแสดงที่แสดงไว้นี้ เป็นเหตุเป็นผลอย่างไร mm hmm. ก็ยังจะไม่ได้ปัญญาแต่จะได้ความสงบคือใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจต่างๆามมาตามมาตามมานี่คืออนิสงส์หรือประโยชน์ของการได้ฟังธรรมตามโอกาสกาเลนะธรรมมัฏสวนังเอตัมมังกัลลุตมัง เป็นประโยชน์สุขแก่จิตใจคำ ว, ว่ามงคล น, นี้ไม่ได้หมายถึงประโยชน์สุขทางโลกธรร ม, มคือความเจริญในลาบยศรรสารสสุขนี้ไม่ได้เป็นอันิสงส์ที่จะได้จากการฟังเทศฟังธรรม อ, อั น, นิสงส์ที่จะได้ก็คือประโยชน์สุขที่จะยกระดับจิตใจให้สูง ข, ขึ้นให้เจริญขึ้นให้มีความสุขมากขึ้น ให้บุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงต่อไปนี่คือมงคลทางทางทางจิตใจไม่ใช่มงคลทางด้านลาบยศสารเสริญสุขบางคนก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติทำแล้วจะเจริญด้วยลาบยศสารเสริญสุขอันนี้ไม่เกี่ยวกัน คนที่ไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมแต่ลับเจริญด้วยราบยศสารเสริญสุข mm. ก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ละการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมจะทำให้เจริญได้นั่นเอง mm. ขอให้เขาเข้าใจการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี้เพือ่อเจริญทางด้านจิตใจจิตใจเราจะสูงขึ้น จิตใจเรานี้มีหลายระดับด้วยกันตอนนี้จิตใจของเราเป็นมนุษย์เราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราเอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเราก็จะยกระดับจิตใจของเราจากมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่าการเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับไปจนถึงไปถึงพระนิพพาน อ, อันนี้ต่างหากคือผลที่เราจะได้จากการ ฟังเทศฟังธรรมจากการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วจะมีเงินมากขึ้นมีเงินล้านก็เพิ่มเป็นสิบล้านต้อยล้านมียศสูงขึ้นจากหลายร้อยก็เป็นหลายพันจากหลายพันก็เป็นหลายพัหรือตําแหน่งต่างๆหรือรางวัลต่างๆการสารรเสริญเยินยอด้วยการมอบรางวัลให้ เช่นให้เหรียญทองคำบ้างเหรียญทองแดงบ้างเหรียญเงินบ้างหรือให้ประกาศใบประกาศทนเบียบัตรอะไรต่างๆผลเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการศึกษาปฏิบัติธรรมเพราะเป็นคนลาเรื่องกัน่ังนี้ขอให้ผู้ที่หวังผลประโยชน์จากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมให้รู้ว่า ผลที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรจะได้ไม่ผิดหวังถ้าอยากจะได้ความสุขความเจริญทางราบยศสารเสริญ<ม>ก็ต้องไปหาขยันหาเงินหาทองขยันทางานทาการแล้วโอกาสที่จะรํำจะรวยก็จะเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้ามาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมนี้ผลที่จะได้ ทางโลกนี้จะไม่เกิดแต่จะได้ผลทางด้านจิตใจที่เรามองไม่เห็นกันจิตใจของเราเป็นนามธรรมาไม่ใช่เป็นรูปธรรมเหมือนราบยศสารเสริญไม่เหมือนกับร่างกายเเราไม่สามารถมองเห็นจิตใจได้เหมือนกับเรามองเห็นร่างกายไม่สามารถมองเห็นผลประโยชน์ที่จิตใจได้รับเหมือนกับที่เราเห็นราบยศสารเสริญ ส, สุข คนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทพฟทงังธรรมก็ อ, อาจจะฟังแบบผิวเผินก็คิดว่าการศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วจะทำให้เจริญก้าวหน้าในราบยศเสริญสุขอันนี้เป็นการเข้าใจผิดการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี้จะทำให้เจริญทางด้านจิตใจจะทำให้จิตใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นตามลำดับของ ของขั้นความเจริญเช่นความสุขของมนุษย์นี้ก็จะน้อยกว่าความสุขของเทวดาความสุขของเทวดาก็จะน้อยกว่าความสุขของพรหมความสุขของพรหมก็จะน้อยกว่าความสุขของพระอริยบุคคลนี่คือเป็นความสุขที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเป็นรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงเพราะเป็นความสุขที่มีความ มีพลังมากกว่าความสุขทางโลกความสุขทางทางธรรมนี้จะมีพลังให้ทำให้จิตใจนี้แข็งแกรง่งไม่หวั่นไหวกับเรื่องความทุกข์ต่างๆของทางโลกเป็<ม>นความทุกข์ที่ยาเกิดกับร่างกายเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย ถามีความสุขทางธรรมมีลดแห่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงแล้วความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่สามารถเข้ามาสู่จิตใจได้เลยไม่สามารถมาทำให้จิตใจทุกข์ไปกับร่างกายได้เลยแต่ความสุขทางโลกนี่เป็นความสุขที่จะทำให้จิตใจอ่อนแอจะทำให้จิตใจว้าวุ่นขุ่นมัวเดือดร้อนเครียด กับความทุกข์ทางร่างกายต่อให้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านพอร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมานี่ความทุกข์นี้มันจะทะลุเข้าไปในใจเลย เ, เงินทองร้อยล้านพันล้านนี้จะไม่สามารถยับยั้งความทุกข์ของร่างกายให้เข้าสู่ไปในใจได้แต่ถ้ามีความสุขทางธรรมนี้ ความสุขทางธรรมนี้เป็นเหมือนกับเ ก, กราะป้องกันกระสุนอย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาปฏิบัติการเขาจะใส่เชือกเกราะกันเวลาถูกผู้ร้ายยิงด้วยอาวุธกระสุนก็จะไม่เข้าไปในร่างกายเพราะจะมีเกราะคอยกันเอาไว้ไม่ให้กระสุนเ<ข>จาะเข้าไปในร่างกายได้ทันใด ลดแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้ก็เป็นแบบนั้นลดแห่งธรรมที่เกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัตินี้จะป้องกันความทุกข์ทางร่างกายไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตามทุกด้วยความแก่ก็ดีทุกด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีทุกด้วยความตายก็ดีทุกด้วยการสูญเสียพัดพลาดจากสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบ หรือพัดพากจากบุคคลที่เรารักเราชอบความทุกข์มันจะไม่สามารถทะลุเข้ามาในใจของเราได้หรือความทุกข์ที่เกิดจากการต้องไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆที่ไม่ปาที่เราไม่ปรารถนาที่จะเจอเวลาเราเจอเราสัมผัสบุคคลต่างๆเหล่านั้นจะไม่สามารถเข้ามาในใจมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจของเราได้เลย นี่แหละคืออนุสงของรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงขอให้เราถ้าฟังเทศฟังธรรมนั้นเราก็จะได้มีสัมมาทิฐิ ม, มีความเห็นที่ถูกต้องว่าการศึกษาการปฏิบัติธรรมตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มไม่ได้เพื่อให้เกิดความเจริญในลาบยศสรส ร, สรสุขแต่อย่างใดแต่ก็อา จ, จะมีผลพลอยได้ก็ก็เป็นไปได้ บางคนศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วมีผู้มีมีศรัทธามีความเนื่อมใส <c oughs> ก็อาจจะถวายลาบสักการะต่างๆ <c oughs> ถวายข้าวของเงินทองห <c oughs> รือแม้กระทั่งถวายยศฐานดาศัก <c oughs> พระสองฆ์เจ้าก็มียศฐานดาศักเหมือนกับทางโลกเหมือนกันทางโลกมีนายร้อยนายพันทางธรรมก็มีเป็นพระครูเป็น <c oughs> เจ้าคุณมีเป็นสมเด็จเป็นอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอนิสงส์ผลพลอยได้จากการที่ผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ศึกษาได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะทําทให้ผู้ที่ได้รับรู้ได้เห็นเกิดความศรัทธาเลื่อมใสถวายข้าวของเงินทองต่างๆหรือถวายยศถวายตําแหน่งอะไรต่าง ๆ, ๆ, ๆ แต่นี่มันเป็นเรื่องของผลถอยได้นะผู้ที่ศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่ยินดีกับสิ่งเหล่านี้นเพราะรู้ว่ามันไม่สามารถที่จะมาคุ้มครองจิตใจได้แต่อย่างใดแต่ก็ทำไปโดยมรารยาทอยู่ในโลกเ้าให้อะไรมาด้วยศรัทธาความเนื่องใสยก็ต้องฉลองศรัทธารับเอาไว้ส่วนจะเอาไปทำอะไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนใหญ่ผู้ที่มีความสุขความเจริญด้วยรถแห่งทำแล้วจะไม่ค่อยจะไปใช้อะไรกับลาบสักการะต่างๆได้มาก็มักจะเอาไปทำคุณทำประโยชน์ให้กับโลกต่อไปเช่ น, นหลวงตามหมาบัวนี้ท่านก็เวลามีศรัทธาญาติโยมถวายเข้าของเงินทองท่านก็เอาไปมอบให้กับขังหลวงมอบให้กับประเทศเป็นสมบัติของประเทศ เป็นสมบัติของคนทั้งประเทศไว้เป็นที่พึ่งในยามตกทุกข์ได้ยามในยามที่เงินทองขาดแคลนท่านไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรกับเรื่องราบยศสักการะทั้งหลายทั้งปวงเพราะใจท่านอิ่มด้วยรสแห่งธรรมน่ารู้ว่ารสแห่งธรรมนี่เหนือกว่ารสของราบสักการะทั้งหลายทั้งปวงนั่นเอง อันนี้ก็เกิดขึ้นได้เรื่องผลพลอยได้แต่เป็นผลพลอยได้จากการทําความดีจากการศึกษาปฏิบัติธรรมภาพบางรูปท่านก็จะได้มีผู้มีศรัทธาเคาเรพเนื่อมใสกันมากถอยลาบส ก, การละกันมากอาถิญเป็นร้อยล้านขึ้นไปก็มีอันนี้เกิดจากการกระทําความดีของท่านแต่ท่านไม่ได้มีความยินดีกับ รับลาบสักการะแต่อย่างใดเพราะที่ท่านได้ศึกษาท่านได้ปฏิบัติมาท่านมีสัมมาทิฏฐิท่ทานรู้ว่าลาบสักการะนี้ไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงไม่เป็นไม่เป็นที่พึ่งของใจได้เวลาที่เกิดความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นมาทางร่างกายที่พึ่งได้ก็ที่พึ่งของใจก็คือลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงที่เกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติ เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งของจิตใจจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพจากเป็นเทพให้ไปเป็นพรหมจากพรหมให้เป็นพระอริยบุคคลพระอราหารันต์พระพุทธเจ้าตามลําดับอันนี้ต่างหาที่เป็นสิ่งที่ท่านมุ่งไปแต่ผลพลอยได้เช่นลาบยศเงินทองเข้าของตําแหน่งอะไรต่างๆนี้ท่านก็รับไว้โดยมารยาทไม่เสียมารยาท แต่ท่านไม่ได้เอามาใช้ให้ใชใ้แต่อย่างใดเพราะมันไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจแล้วถ้าไปหลงกับสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะกลายเป็นโทษแก่จิตใจจะทำให้เกิดจิตใจเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าหมองขึ้นมาได้เวลาที่เกิดการเสื่อมของลาบยศสารเสรินสุกนี่ถ้าฟังเทศฟังธรรมนี่หนึ่งในอนิสงส์ก็คือ จะหายสงสัยว่าทําไมคนทําความดีจึงไม่ได้ดีกันทําดีถ้าเป็นแทบตายแต่ไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไม่ได้ไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนอะไรต่างๆอันนี้ก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุและผลของกันและกันนั่นเองการทําบุญทําความดีนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้เจริญไอลาบยศทันสนศกแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ได้ แต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นผลผลพลอยได้แต่ผลหลักนี้ที่จะได้แน่นอนก็คือความสุขความเจริญของทางด้านจิตใจออถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะหายสงสัยว่าทำไมทาดีแล้วไม่ได้ดีทำชั่วแล้วได้ดีมีถมไปอันนี้ก็เพราะว่าเราไปมองผลทางราบทางโลกกระทำทางราบยศสารเสริญสุข ที่ไม่เป็นผลที่เกิดจากการทําทําความดีทําคุณทําประโยชน์แต่อย่างใดก็จะไม่สงสัยในเรื่องราวเหล่านี้ใครจะรวยทางโลกก็ปล่อยเขารวยไปเราให้ความสําคัญต่อความเจริญความรวยทางด้านจิตใจรวยด้วยความสุขของจิตใจจิตใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเมื่อได้ขึ้นขึ้นไปเป็นเทพนะนร จากเทพขึ้นไปเป็นพรหมก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปจากพรหมก็ขึ้นไปเป็นพระอาริยบุคคลก็จะมีความสุขเพิ่มไปมากขึ้นไปนี่รวยด้วยความสุขผู้ผู้ทำความดีทําบุญทํำกุศลศึกษาปฏิบัติธรรมนี้จะร่ำรวยทางด้านจิตใจรวยด้วยความสุขรวยได้ทรัพย์ภายในรวยด้วยเทพทรัพย์รวยด้วยพรหมทรัพย์รวยด้วยอริยทรัพย์ โดยนิพย์ยน ย, ยด้วยนิพพานัพย์เนี่ยอันนี้ต่างหากที่เป็นรั์ที่แท้จริงของจิตใจที่จิตใจสามารถเอาติดตัวไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วท่านถึงบอกว่าการฟังเทศฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นเองจะทำให้หายสงสัยในเรื่องต่างๆที่ยังสงสัยอยู่จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้อง แล้วจะทำให้จิตสงบผ่องใสและเมื่อเราได้ยินได้ฟังรู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครเราก็จะได้มีความตั้งจิตตั้งใจที่จะทำอย่างเต็มที่เพราะเราจะเริ่มเห็นเราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราทำนี้ถึงแม้ไม่ใช่จะไม่ได้เป็นราบยสสศสารสสุขแต่เป็นความสุขความเจริญทางด้านจิตใจที่เรายังมองไม่เห็น แต่เราได้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วว่าเราทําเพื่อสิ่งนี้ตัางหาทําเพื่อจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเราที่ไม่มีวันตายจิตใจของพวกเราที่มาเกิดมามีร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการมีร่างกายเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถยับยั้งได้หยุดได้ คือการมาเกิดถ้าเราศึกษาเราปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นสูงสุดจิตใจเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปส่วนยังไขณนะที่ยังมีร่างกายอยู่แต่ถ้าเราได้ทำขั้นสูงสุดแล้วเวลาร่างกายเป็นอะไรนี่มันจะไม่มากระทบกับจิตใจแต่อย่างใด ความทุกข์ของร่างกายนี้จะไม่สามารถเข้ามาสู่ภายในภายในใจได้เลยเพราะใจมีเกราะคุ้มครองมีลดแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือความสงบสุขของใจที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือขั้นจิตตภาวนามรถาภาวนามิปัสนาภาวนามิธรรมขั้นนี้จะเป็นธรรมที่จะสามารถปิดกั้น ความทุกข์ต่างๆของทางร่างกายไม่ให้เข้ามาสู่จิตใจได้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราทํากันเราทําเพื่อจิตใจของเราที่ตอนนี้ยังอยู่อยู่ภายใต้อํานาจของความหลงที่เราให้จิตใจเปิดไม่ปิดกัน้นไม่ใช่ไม่ไม่หาเกาะมาคุ้มครองบัดจิตใจให้เป็นจิตใจที่ไม่มีเกาะคุ้มครอง ความทุกข์ต่างๆมันจึงทยอยกันเข้ามาอยู่เรื่อยๆใจของพวกเรานี้ทุกวันนี้จะต้องทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้กันอยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเราไม่มีเกาะคุ้มกันกันเราไม่รู้ว่าเราศึกษาปฏิบัติทำไปเพื่ออะไรกันก็เลยอาจจะไม่ศึกษาปฏิบัติเท่าที่ควรผลที่พึ่งจะได้รับก็เลยไม่ไ ม, ไม่ปรากฏขึ้นมาเท่าที่ควร จึงทำไม่ให้จึงยังไม่ทําให้เห็นผลอันเลิ่ออันประเสริฐที่จะเกิดขึ้นตามมามถ้าอยากจะให้ผลอันเลิ่อันประเสริฐเกิดขึ้นตามมาเป็นกอะเป็นกรรมการปฏิบัติของเราก็ต้องเป็นกอะเป็นกรรมเ<ม>ช่นในวันพระนี้เป็นวันที่เรา <c oughs> จะสามารถมาศึกษามาปฏิบัติธรรมอย่างเป็นกอะเป็นกรรมได้เพราะว่าวันพระนี้เป็นวันหยุดทํางานของพวกเรา เราไม่ต้องไปทำงานไม่มีภารกิจทางโลกต้องทำไม่ต้องไปหาความสุขทางโลกกัน<ม>ให้เอาเวลาที่ว่างในการว่างจากภารกิจการงานต่างๆมาให้กับการศึกษามาให้กับการปฏิบัติทำแบบเป็นกอบเป็นกรรมคือทำทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนมาตลอดหนึ่งวันกับหนึ่งคืนของวันพระนี่ควรจะ ให้เอาเวลาทั้งหมดนี้มาให้กับการศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกัน <c oughs> ถ้าเราทําได้นะอย่างน้อยวันหนึ่งทําได้เนี้ยผลมันจะเกิดขึ้นมาไม่มากก็น้อยผลที่มันจะทําให้เรามีความประทับใจมีความสุขใจมีความมั่นใจว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่ไม่เป็นหมันเป็นคําสอนที่มีผลมีประโยชน์อย่างแน่นอน สาเหตุที่มันยังไม่เกิดผลเกิดประโยชน์กับเราก็เพราะว่าเรายังทําน้อยไปเหมือนกับการกินอาหารกินข้าวถ้ามื้อหนึ่งเรากินข้าวแค่ค ำ, คำสองคานี้ผลคือความอิ่มของอาหารมันก็จะไม่ปรากฏเราก็เลยยังจะไม่เห็นคุณค่าของการรับประทานอาหารแต่ถ้าเรารับประทานอาหารแบบไม่หยุดรับประทานไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอิ่ม เพราอิ่มนะเราก็อยู่เองอันนี้มันก็จะเห็นคุณค่าของการรับประทานอาหารว่าการรับประทานอาหารนี้สามารถระ ง, งับความหิวได้ทําให้ร่างกายอิ่มทําให้ร่างกายมีความสุขจากการได้รับประทานอาหารเพราะว่าเรากินกันอย่างเต็มที่เวลาเรากินอาหารแต่ละมื้อนี่เราไม่ได้กินแค่คำสองคำแนละ้วพอละหยุดไปทํางานต่ อ, อถ้าอย่างนี้แล้วก็จะไม่เห็นคุณค่าประโยชน์ของการ กินอาหารแต่อย่างใดเพราะกินน้อยไปทั้งเองไม่ใช่ว่าอาหารไม่มีคุณค่าเองแต่ว่ามันกินน้อยไปมันไม่มีไม่กินมากพอที่จะทำให้เกิดให้เห็นผลที่เกิดจากการกินอาหารว่าสามารถระงับดับความหิวของร่างกายได้สามารถทำให้ร่างกายมีความอิ่มมีความสุขจากการรับประทานอาหารได้ฉันั้การศึกษาการปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นในลักษณะแบบกินอาหารเหมือนกัน เราก็ต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่ใช่ปฏิบัติแค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พอแบบนี้เหมือนกับกินอาหารแค่ทำสองทาแล้วก็หยุดกินอย่าวันเราวันนี้วันพระมีเวลา24ชั่วโมงด้วยกันตัดเวลานอนไปสี่ห้าชั่วโมงรประมาณสิบเก้าถึงยี่ยี่สิบชั่วโมงอย่ตลอดระยะเวลาสิบเก้าถึงยี่สิบชั่วโงนี้ เราสามารถที่จะามาใช้ในการวศึกษาและปฏิบัติธรรได้ mm hmm. เช่นตอนนี้เราก็เวลามาให้กับการศึกษาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเราจะได้รู้วิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องว่าเราจะต้องปฏิบัติมากน้อยเพียงไรและจะต้องปฏิบัติอะไรบ้าง mm hmm. สิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือเราต้องรักษาศีลแปดในเบื้องต้นก่อน mm hmm. สินแปดนี้เราต้องรักษาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับเลยน <Yeah. S 1> ไม่ละเมิดศินทั้งแปดข้อ <Yeah. S 1> คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ <Yeah. S 1> ข้อสามที่เคยเป็นประพฤติผิดประเพณีก็กลายเป็นอบ ร, ร ม, มจริยา <Yeah. S 1> ก็คือ <c oughs> ไม่ไม่เสพการไม่ร่วมเพศกัน <Yeah. S 1> แล้วข้อสี่ก็ไม่พูดปดข้อห้าก็ไม่ดื่มสุรายาเมาข้อหกก็ไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว ข้อ7ก็ไม่ให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการดูมอหระศพร้องรำทำเพลงเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอ่อนด้วยเครื่องสำอางต่างๆนะข้อ8ก็ไม่ให้หลับนอนมากเกินไปโดยการนอนบนพื้นที่ไม่สบายนอนนอนบนพื้นแข็งๆเพื่อจะได้นอนไม่มากร่างกายถ้ามันง่วงแล้วมันนอนพื้นแข็งหรือพื้นนุ่มมันก็หลับได้เหมือนกัน ปัญหาอยู่ที่ตอนที่มันตื่นขึ้นมาถ้ามันได้ลับพักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นม า, ถ, ามนถ้านอนถ้านอนบนเตียงที่มีฟูกหนาๆมีความสุขสบายมันก็จะติดมันก็จะไม่อยากจะลุกขึ้นมาอาจจะขอนอนต่อก็จะทำให้เสียเวลาที่จะมาใช้กับการปฏิบัติธรรมแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆชเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมามันก็จะไม่อยากจะนอนต่อ เพราะมันไม่สบายก็จะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมหรือฟังเทศฟังธรรมก็แล้วแต่ความเหมาะสมถ้าอยากฟังเทศฟังธรรมก็ฟังไปถ้าอยากปฏิบัติธรรมอยากจะเดินเจริญสติก็เดินเดินจงกรมไปถ้ามีที่เดินถ้าอยากจะนั่งสมาธิก็นั่งไปทาอย่างนี้สลับกันไปตลอดทั้งวันทั้งคืนช่วงใดที่เรา มีภารกิจการงานต้องทําก็ใช้สติเป็นการปฏิบัติสติให้มีสติรู้อยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายร่างกายกาลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารร่างกายกาลังอามน้ําก็ให้อยู่การอามน้ํากําลังแต่งตัวก็ให้อยู่การแต่งตัวไม่ว่าร่างกายทําอะไรก็คอยเฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปหรือจะใช้คำใบริกามคอยควบคุมใจไว้ก็ได้ ใช้ร่างกายดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดเร่องนั้นเร่องนี้หรือถ้าเราไม่สะดวกเราอยากจะใช้คําบริกรรมพุทโธแทนก็ได้ถ้าเรามีคําบริกรรมพุทโธอยู่กับบริกรรมพุทโธไปความคิดต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมามการเจริญสตินี้เพื่อคอยระ ง, งับความคิดต่างๆลดความคิดให้น้อยลงเพราะเวลาที่เราจะนั่งสมาธิเพื่อทําจิตให้นิ่งสงบไม่ให้คิดอะไรเลยนี้ต้องมีสติ คอยควบคุมความคิดไว้ก่อนแล้วถ้ายังไม่มีสติคอยควบคุมความคิดพ อ, อเวลามันเริ่มนั่งสมาธิแล้วค่อยมาเจริญสติเตอนนั้นสติจะมีกําลังไม่มากมีกําลังน้อยก็จะไม่สามารถระงับความคิดต่างๆในขณะที่นั่งสมาธิได้แต่ก็จะไม่มีวันสงบมีแต่ความทุกข์สร้นนั่งไปแล้วนั่งไม่ได้นานเพราะ พอเกิดความคิดเกิดความคิดเกี่ยวกับความเจ็บของร่างกายก็ไม่อยากจะนั่งต่อเนื่องเกิดความคิดอยากจะไปทำอะไรก็จะไม่อยากจะนั่งต่อแต่ถ้าเราคอยควบคุมความคิดเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วควบคุมตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาต้องคอยควบคุมความคิดที่จะไปคิดเกี่ยวกับเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกมนิ้วกายทางรูปเสียงกลิ่นรสผดะ่า พยายามคอยใช้พุโทโธระงับมันอย่าให้มันไปคิดอย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะเพราะาถ้าไปคิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดความอยากตามมาพอเกิดความอยากก็จะเกิดความฟุง้งซ่านตามมานี่คือวิธีการของการปฏิบัติตลอดเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนถ้าปฏิบัติแบบนี้ได้รักษาศีลตลอดหนึ่งวันกับหนึ่งคืนแล้วก็เจริญสติในขณะที่เราตื่น ทั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าในช่วงที่เราเตือนนี้ถ้ามีภารกิจอะไรต้องทำก็ทำด้วยสติกากับใจไปพอไม่มีอะไรทำแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะทำอะไรดีจะนั่งสมาธิก็นั่งไปจะฟังเทศตั้งธรรมก็ฟังไปจะเดินจงกรมก็เดินไปแต่ทั้งหมดนี้ต้องทำด้วยสติตลอดเวลาเพราะสตินี้เป็นตัว เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทาให้เกิดผ ล, ผลเกิดประโยชน์ขึ้นมาแ ก, ก่กษจากการปฏิบัติถ้าปฏิบัติโดยที่ไม่มีสติแล้วนี่ผลจะไม่เกิดะถึงแม้จะเดินจงกรมแต่เดินแล้วใจลอยคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ใจก็จะไม่สงบหรือว่าเราทําอะไรแล้วก็เผลอทําไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ไปควบคู่กันใจก็ ใจก็ไม่นิ่งใจก็จะไม่สงบมไม่ว่าจะทําอะไรปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้เกิดผลคือความสงบเกิดลดแห่งธรรมขึ้นมาก็คือการเจริญสตินี้เป็นหลักต้องหมันพยายามเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งหลับมไม่ว่าจะทําอะไรต้องทําด้วยสติเดินโยม ก, มก็เดินมีสตินั่งสมาธิก็ต้องนั่งแบบมีสติ ทำภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดบ้านเรือนที่พักอาศัยซ<ม>ักเสื้อผ้าหรือรับประทานอาหารอาบน้ำอาบท่าอะไรต่างๆต้องทำด้วยสติ ต, ตลอดเวลาปลูกใจไว้กับงานที่เราทาอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้<ม><ม>ถ้าทำอย่างนี้ได้เวลามานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายได้ อ น, นี่คือการปฏิบัติแบบเป็นกรอบเป็นกรรมคือต้องทําทุกขณะเวลาที่เราตื่นเลยเอาเวลาทั้งหมดที่เรามีนี้ให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติให้กับการเจริญสติให้กับการนั่งสมาธิให้กับการเดินจงกรมถ้าเราเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติทําเหล่านี้แล้วผลมันจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อย มันจะทำให้เกิดความรู้สึกสุขใจอิ่มใจขึ้นมา mm. แต่ถ้าเราไม่ทำเลยนึกทำแต่กิริยาแต่ใจลอยไปลอยมาไม่มีสติคอยควบคุมใจนอนนนอนจังกรมก็ไม่มีสตินั่งสมาธิก็ไม่มีสติ mm. ทำอะไรก็ไม่มีสติ mm. ถ้าทำอย่างนี้แล้วใจก็จะไม่มีวันสงบได้น้ตแห่งธรรมที่เป็น ลดการทำที่ชนะรถทั้งปวง ก, ก็ยังไม่เกิดขึ้นมาได้แต่ถ้ามีสติเวลานั่งสมาธิสติก็จะคอยควบคุมใจให้อยู่กับทำบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าจะใช้พุทโธก็ใช้พุทโธอย่างเดียวก็พอไม่ต้องดูลมควบคู่ไปเอาพุทโธอย่างเดียวแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนความช้าเร็วของการบริกรรมได้ทำบริกรรมช้าก็ได้บริกรรมเร็วก็ได้ อพราะบางทีถ้าจิตมันฟุ้งมากๆบริกรรมช้าๆมันจะหยุดความฟุ้งไม่ได้เราก็ต้องบริกรรมให้มันเร็วขึ้นแต่ถ้าเราเอาพุโทโธไปผูกไว้กับลมนี่เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความคําบริกรรมให้ช้าขึ้นหรือเร็วลงให้ช้าให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นได้เพราะมันปูกไว้กับลมลมมันไม่ช้าไม่เร็วมันมันก็หายใจตามปกติของมัน เพราะฉะั้นทางที่ดีอย่าไปผูกสองอย่างนี้เป็นอารมณ์เลยไม่จําเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ผูกทั้งสองอย่างนี้เป็นอารมณ์พพุทธเจ้าสอนให้เจริญพุท ธ, ธานุสติเบญจกามพุโทโธหรือให้ดูอาณนาะดูลมหายใจเข้าออกอาณาปานสติอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปใช้ทั้งสองอย่างปนกันแต่ถ้ามันจริตของเราแล้วทําให้จิตเรามันหายฟุ้งได้ ทาให้จิตหายลอยได้ก็ใช้ไปก็ได้แต่มันจะไม่ทําให้จิตรวมเข้าสู่สมาธิได้มันเป็นจะจะช่วยผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปลอยมากับความคิดต่างๆแต่ยังไม่สามารถหยุดความคิดได้อย่างเต็มที่ น, นั่นเองถ้าอยากจะหยุดความคิดอย่างเต็มที่ต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งใช้คําล่รคำอย่างเดียวหรือใช้การดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวถ้าดูลมก็ให้ดูที่ปลายจมูก ลมเข้าลมออกมันจะสัมผัสอยู่แถวบริเวณปลายจมูกหรือเหนือริมฝีปากขึ้นมาก็าให้เฝ้าดูตรงจุดนั้นลมจะเข้าก็รู้ว่าเข้าไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมเข้าไปในปอดให้อยู่ที่จุดนั้นเวลาลมออกก็ไม่ต้องตามลมออกไปให้อยู่ที่จุดเดียวจุดที่ลมมาสัมผัสตอนที่มันเข้ามันออกแล้วลมมันจะหายใจสั้นหรือหายใจยาวก็อย่าไปบังคับมัน ให้รู้เฉยๆหรือว่าตอนนี้มันหายใจสั้นรู้ว่าตอนนี้มันหายใจยาวหรือว่ามันหยาบรู้ว่ามันละเอียดอย่าไปควบคุมบังคับมันเราไม่ต้องการให้ใจทำอะไรต้องการให้ใจนิ่งอยู่เฉยๆการที่ใจจะนิ่งอยู่เฉยๆนี่ใจต้องสักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรแ <Sí. S 2> <ork. S 1> ม้กระทั้ง parallel, ถ้าลมหายไปก็ไม่ต้องไปวิตกตกังวลว่าลมหายไปแล้วเราไม่หายใจแล้วเราจะตายหรือเปล่า ความจริงลมมันไม่หายแล้วเพียงแต่มันละเอียดมากจนที่เราไม่สามารถที่จะสัมผัสมันได้ว่ามันเข้าหรือออกก็ไม่ต้องกังวลให้ให้รู้อยู่ที่จุดเดิมอยู่แถบที่ปลายจมูกเหมือนเดิม ร, รู้อยู่ตรงนั้นรู้ว่าตอนนี้ลมมันละเอียดไม่สามารถที่จะจับลมได้ก็จับอยู่ที่จุดเดิมนั้นไปอย่าเปลี่ยนจุดอย่าไปคิดอย่าไปวิตกอย่าไปหวกลัวเพราะฉะ น, นั้นจิตกําลังจะเข้าสู่ความสงบนั่นเอง ถ้าเราอยู่ที่จุดเดิมได้แป๊บเดียวเดี๋ยวจิตก็นิ่งสงบเข้าไปเพราะจิตนิ่งสงบแล้วทุกอย่างก็หายไปหมดเหนือแต่ความว่างเหนือแต่เหนือแต่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้มีความสุขที่เรียกว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเนี่ยมันจะเกิดตอนนี้ตอนที่จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิเบื้องเบื้องต้นคณะ ของผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติใหม่ๆจิตจะสงบได้ช่วงเดียวๆเรียกว่าเรื่องช่วหนึ่งขณะจิตสงบแบบชั่วคราวนี่ช่วงขณะหนึ่งเราเรียกว่าคณิกะสมาธิพอจิตรวมสงบปับ๊บนิ่งปับ๊บแล้วก็ถอนออกมาทันทีแ ต, แต่แต่ความความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันจะประทับใจ มันเฉพาะเป็นความเป็นความสุขที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเป็นเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แม้กระทั่งเป็นชั่วหนึ่งขณะที่เรียกว่าคณิกะสมาธิกขาตามเนี่ยมันจะทำให้เกิดมีศรัทธาที่อยากจะฝึกสติให้มากขึ้นเพราะื่อเห็นความสาคัญของการมีสติเพราะสตินี้เท่านั้นที่จะทาให้ใจ นั่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้เป็นคณิกะสมาธิพอมีศรัทธาก็อยากจะปฏิบัติทำให้มากขึ้นอาจจะมีวันพระเพิ่มจากวันอาทิตย์ละหนึ่งวันเป็นสองวันสามวันก็ได้เมื่อได้ปฏิบัติมากขึ้นเวลาจิตสงบจิตก็จะสงบได้นานขึ้นเวลาจิตสงบได้นานขึ้นเราก็เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิกับอัปปนาสมาธินี้เป็นสมาธิ แบบเดียวกันคือจิตรวมนิ่งจิตรวมนิ่งสงบสัตว์แต่ว่ารู้ปรากฏขึ้นมาคือลสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงต่างกันตรงที่ว่าสั้นหรือยาว<ม>คันิกะนี้สั้นเดียวเดียวแป๊บเดียวเหมือนแบบงูแลกดิ้นแบบฟ้าแลบแล้วก็หายไปแต่อั ป, ปนาสมาธินี้จะสงบได้นานขึ้นไปตามลนดับ<ม>จากจากคนนกันิกะก็จะกลายเป็นอ ป, ปนา ห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างยี่สิบนาทีบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงหนึ่งบ้างบางคนก็สามารถเข้าฌานได้เป็นเป็นวันเลยก็มีอันนี้ก็ อ, อยู่กับกำลังของสติที่ได้พัฒนากันมาตามลาดับถ้ามีสติมากขึ้นเท่าไหร่ใจไม่เผลอใจไม่ปล่อยใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับอยู่กับสติอยู่กับองค์ กรรมฐานที่กําหนดไว้จะอยู่กับพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับการดูร่างกายก็ดูไปนี่คือพูดถึงในขณะที่ไม่ได้นั่งสมาธิในขณะที่มีการเคลื่อนไหวทางร่างกายมีการกระทำอะนต่างๆทา ง, ๆทางร่างกายก็ให้มีสติอยู่กับการเคขึ้นไหวทุกขณะจิตเลยจะไม่เผลอไปคิดเร่องนั้นเร่องนี้ถ้ามีสติดีเวลาเข้าสมาธิจิตจะสงบได้นาน จิตสงบได้นานเท่าไรจิตก็จะมีอุบเบกขาเพิ่มขึ้นมากขึ้นคือจิตก็จะสามารถวางเฉยได้เวลาที่ออกจากสมาธิมาเวลาที่มาสัมผัสกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะมาทางตาหูจมูกเิ้นกายได้ยินเสียงจิตก็จะเฉยไม่เหมือนตอนที่ไม่มีสมาธิเวลาได้ยินเสียงจิตจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีเกิดอารมณ์นักชังโกรลธลขึ้นมาทันทีถ้าได้ยินเสียงไม่ดีก็โกรธขึ้นมาทันที ได้ยินเสียงที่ดีก็เกิดความรักความชอบขึ้นมาทันทีแต่ถ้าฝึกจิตไปเรื่อยๆมีอุเบกขาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ้วจิตจะวางเฉยจะเฉยยใครจะชมก็เฉยใครจะด่าก็เฉยไม่ต้องทำอะไรเพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้ต่อไปก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าการเฉยเนี่ยดีที่สุดเพราะการเฉยนี้เป็นการทำใจให้มีความสุข ถาใจไม่เฉยใจเริ่มไปรักไปชังแล้วความทุกข์ก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาทันทีถ้าก่อนมีความรักความชังโผล่ขึ้นมาถึงแม้ว่าจะมีอุเบกขาถึงแม้จะได้ได้อุเบกขามาจากสมาธิความรักชังกลัวหลงก็ยังอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไปเจอสิ่งที่มันมีพลังมากที่มากระตุ้นความรักชังกลัวหลงได้มันก็ความรักชังกลัวหลงหตัวกิเลสตัณหามันก็จะผล่ขึ้นมาได้ ถ้าอยากจะให้กิเลสตัณหานั่นดับไปก็ต้องพิจารณาสิ่งที่มากระตุน้นกิเลสให้เกิดขึ้นนี้ว่าเป็นใจรับเป็นอนิจจทุขฐานวณตาไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นอะไรก็ตามที่เราได้สัมผัสรับรู้พอเราเกิดความดีใจเสียใจเกิดความอยากได้ขึ้นมาอยากได้หรืออยากไม่ได้ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปอยากได้เขา ได้เขามาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทุกข์ต้องเสียใจในภายหลังเพราะสิ่งที่เราอยากได้มานี่มันเป็นสิ่งชั่วคราวรูปเสียงกลิ่นรสผดภพเป็นอนิจจ์เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับหรือสั่งให้มันเป็นของเราอยู่กับเราไปได้ตลอดวันดีขึ้นดีมันก็จะจากเราไปได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้ถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆ อเวลามันจากเราไปมันก็จะทำให้เราเศร้าใจเสียใจได้ต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปสัมผัสรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจคือความคิดปรุงแต่งล้วนเป็นอ น, นิจจังเพนอย่าไปยินดียินร้ายกับมันให้รู้เฉยเฉยรู้ร้วปล่อยวางไม่ต้องไปทำอะไรถ้าไปยึดไปติดก็วไปเอามาครอบครองก็จะทาให ่อยความทุกข์พอเราอยากได้อะไรเห็นของที่เราชอบเราก็ไปเอามาพอเอมาพอได้มาเราก็ดีใจเดียวเดียวเดี๋ยวของที่เราได้มามันก็เปลี่ยนไปจากใหม่ก็กลายเป็นของเก่าไปพอมันกลายเป็นของเก่ามันก็จะทำให้เรารสึกเบื่ อ, อมันก็ได้จากการที่เคยชอบมันก็กลายเป็นความเบื่อหนายขึ้นมาหรือถ้าเขาเปลี่ยนไปหรือเขาจากเราไปในขณะที่เรายังไม่เบื่อเรายังรักยังชอบเขาอยู่ มันก็จะทำให้เราเศร้าโศกเสีขเขยใจยได้ให้พิจารณาทุกอย่างว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันเป็นของชั่วคราวอันนี้จังทุกข์เพราะมันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของธรรมชาติของของสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาธรรมชาติก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ผสมปรุงแต่งทำให้มีสิ่งต่างๆปรากฏขึ้นมาสิ่งต่างๆที่มีการผสมปรุงแต่ง มื่มันเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องเสื่อมเดี๋ยวมันก็จะต้องดับไปพอมันเสื่อมมันดับไปใจเราก็จะเศร้าสศกเสียใจพยายามมองให้เห็นตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราไปสัมผัสรับรู้แล้วอยากจะได้มาเอามาสัมผัสมาเป็นของเราอยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีมาแล้วก็ต้องมีไปเราไม่สามารถจะเก็บอะไรไว้ได้ แม้แต่ร่างกายนี้ที่เรามีอยู่นี้เราก็เราก็เก็บมันไว้กับเราไม่ได้ไปตลอดมันไม่ได้ันไม่ได้อยู่กับเราชั่วฟ้าดินสลายมันอยู่ชั่วแค่ลมหายใจเข้าออกแนันพอพอร่างกายอยู่หายใจเมื่ อ, อไหร่ร่างกายมันก็ต้องแยกมันก็ต้องจากเราไปมันไม่สามารถอยู่กับเราได้ต่อไปถ้าเราไปยึดไปติดกับร่างกายไปหลงไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราก็จะทุกข์ใจแต่ถ้าเรามีปัญญา พิจารณาเห็นว่ามันเป็นไตายรับเป็นไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาร่างกายนี้เป็นอนัตตาเป็นธาตุสี่ทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพอพอมารวมตัวกันก็กลายเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นเยื่อในกระดูกเป็นม้าเป็นปอดเป็นหัวใจเป็นตับเป็นไตเป็นลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่เป็นสมองศีรชา แล้วก็เป็นน้ำชนิดต่างๆน้ำเลือดน้ำดีน้ำเสลน้ำเหนือน้ำเหนือน้ำมันก้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำลูกน้ำไข่ข้ออันนี้มันเป็นอาการสามสิบสองทำมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราเราไปหลงคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเราก็เลยทุกข์เราจึงต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่ดินน้ำลมไฟ ถ้าเรายังไม่มีปัญญาเราก็ต้องไปศึกษาจากผู้มีปัญญาศึกษาจากพระพุทธเจ้าศึกษาจากพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะของท่านเราก็จะได้ความรู้คือปัญญารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเป็นธาตุสี่ทั้งนั้นเป็นธาตุสี่หรู้ธาตุใดท่านหนึ่งเช่นทาธาตน้ําก็เป็นธาตน้ําอย่างเดียว ธาตุดินก็เป็นธาตุดินอย่างเดียวถ้าตลมพัดก็เป็นธาตุลมอย่างเดียวถ้าความร้อนก็เป็นธาตุไฟอย่างเดียวแต่บางทีธาตุทั้งสี่มันมารวมตัวกันมันก็มาก่อร่างสร้างตัวสร้างร่างกายขึ้นมาสร้างต้นไม้ขึ้นมาสร้างอะไรต่างๆขึ้นมามันเป็นธาตุทั้งนั้นในโลกนี้ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครเป็นเจ้าของใครไปยึดไปติดก็เป็นของเราก็จะต้องทุกข์กับมันเพราะว่ามันวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องเปลี่ยนสภาพไป มันก็จะกลับคืนสู่ธาตุเดิมไปร่างกายของเราวันหนึ่งมันก็จะต้องแยกตัวธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัวกันมันก็จะแยกออกจากกันพอแยกออกจากกานอาการสาสิบสองก็จะหายไปกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปนี่คือปัญญาที่เราจะต้องศึกษาถ้าเราไม่เข้าใจต้องศึกษาจากผู้รู้คือพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อศึกษาแล้วเราก็ต้องมามาพิจารณามาคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อย จนกว่าเราจะปล่อยวางมันได้ถ้าเรายังปล่อยวางไม่ได้ถ้ า, ายังทุกข์กับร่างกายอยู่ก็แสดงว่าเรายังยึดยังติดยังหลงยังไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอยู่เราก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆคิดบ่อยๆเดี๋ยววันวนหนึ่งมันก็จะมันก็จะลองออกขึ้นมาเองอ๋อมันก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟมันมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวมันก็แยก อ, ออกจากการกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเราห้ามมันไม่ได้ มันเป็นของไม่เที่ยงต่อแกเ่เจ็บตายให้พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งมันยอมรับความจริงได้เห็นความจริงได้พอเห็นความจริงแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าบ่อยวางได้แล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วดกับความแก่ของร่างกายกับความตายของร่างกายปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายได้อย่างสบายนี่คือขั้นของปัญญา ที่จะตามมาหลังจากที่เราได้ขั้นสมาธิก่อนอย่าไปอย่าไปทางปัญญาก่อนแล้วให้มาทางสมาธิมันยากกว่าการไปจากทางสมาธิไปสู่ทางปัญญาเพราะว่าสมาธิจะสนับสนุนปัญญาและปัญญาก็จะเป็นผู้สนับสนุนจิตให้ตัดความอยากต่างๆให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธินี่ปัญญาจะไม่มีกำลัง ไม่มีกำลังที่จะปล่อยที่จะตัดความอยากต่างๆตัดอุปทานต่างๆที่ไปยึดไปติดสิ่งต่างๆว่าเป็นเป็นเราเป็นของเรา<ม>ต้องทําสมาธิก่อนและก่อนจะได้สมาธิก็ต้องรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนศ<ม>ีลสมาธิปัญญานี้มันเป็นธรรมที่สนับสนุนกันศีลสนับช่วยสนับสนุนสร้างให้เกิดสมาธิ<ม>พอสมาธิก็จะช่วยเสริมให้กําลังให้ปัญญามีกําลังขึ้นมา พอปัญญามีกำลังแล้วก็จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆป้องกันความทุกข์ต่างๆที่จะเข้ามาทางจิตใจไม้เข้ามาได้อีกต่อไป<ม>ต้องปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอน<ม>ตามที่ผู้เจ้าทรงสั่งสอน<ม>อย่าไปปฏิบัติแบบตามความรู้สึกนึกคิดของเราใครเขาว่าปัญญาดีได้บุญมากก็ไปปัญญาแพิจารณาปัญญาก็พิจารณาได้ไม่นานพิจารณาแค่ แค่ครัง้งสองครั้งก็เลิกแล้วเดี๋ยวกิเลสมันก็เอาความคิดไปคิ ด, คดทางรูปภาพยศชนะเสริญสุขไปคิดทางรูปเสียงเกิดลดแทนแต่ถ้าจิตมีสมาธิแล้วนี่จิตจะมีสติคอยกำกับใจให้คิดอยู่ทางด้านปัญญาตลอดทั้งวันทั้งคืนคิดจนกระทั่งไม่หลงไม่ลืมเห็นร่างกายที่ใดก็เห็นเป็นธาตุสี่ไปเห็นเป็นอาการสามสิบสองไปเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราไปเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไปต้องเห็นแบบนี้มันถึงจะเรียกว่าปัญญา ไม่ใช่เห็นเพ่ฆ่เพ่เพ่พิจารณาครั้งเดียวว่าร่างกายก็แก่เจ็บตายแล้วก็จบแล้วก็ไปคิดเรื่องต่างๆต่อไปแตอย่างนี้เวลาเกิดความความทุกข์ทางร่างกายขึ้นมาก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางร่างกายได้ดงนั้นเบื้องต้นนี้เราต้องทำทาตามที่พเจ้าทรงสั่งสอนขั้นต้นก็ศึกษาก่อนฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยเพื่อให้เรารู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง วิธีปฏิบัติก็คือต้องปฏิบัติศีลนว่นงสมาธินั่งก็ปัญญาตามลำดับ mm hmm. จากปัญญาแล้วเราก็จะได้วิบุตติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เป็นลดแห่งธรรมที่ที่ที่สูงสุดที่ดีที่สุดเพราะเป็นลดแห่งธรรมที่ถาวรยั่งยืนไม่มีวันสิ้นสุด mm hmm. คือรดของพระรดของพระนิพพานนิบานังบาลังสุ ข, ขัง mm hmm. นิพนธ์นเป็นบรมสุขอย่างยิ่งนิพพานจะตามมา ด้วยปัญญาปัญญาจะตามมาด้วยจะเกิดตามมาด้ว ย, วยสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีศีลเป็นพุ่สนับสนุนนัต้องทําเป็นขัน้นเป็นตอนไปวันนี้เรามาศึกษาธรรมะตอนนี้ลเราก็มารักษาศีลแต่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเราก็มาเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้ได้อุบเบกขาได้ฌาน พอเราได้อุ่นวาได้ฌานแล้วเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วก็เอาปัญญามาสอนใจสอนเรื่องของร่างกายก่อนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปยึดไปติดมันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางถ้ายึดติดก็แสดงว่าไม่ยอมปล่อยถ้าไม่ยอมปล่อยก็จะต้องก็จะทุกข์เพราะเพราะอยากจะให้มันอยู่นั่นเอง ความอยากจะให้ร่างกายอยู่ความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจพอเราเห็นว่ามันอยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยากไม่แก่มันก็แก่อยากไม่เจ็บมันก็เจ็บอยากไม่ตายมันก็ตายอยู่ดีแต่ถ้าอยากแล้วมันจะทําให้ใจทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากอยู่เฉยๆไปสักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ เปลี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันออันนี้คือการใช้ปรรัญญาปัญญานี้ก็ต้องอยู่ที่การเห็นไตรลักษณ์เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่เราไปยึดไปติดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันไม่มีตัวเราของเรามันมันีมันไม่ได้เป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวเราต้องปล่อยวางด้วยปรรยัญญาะถ้าเรามีปัญญาเราก็จะปล่อยวางได้ ถ้าเราไม่มีสมาธิใจเราก็ไม่ยอมคิดทางปัญญาคิดได้แวบเดียวมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นต่อเพราะกิเลสมันจะมันเดินก็นไปคิดทางลาบยศฉลเสริญสงอยู่เรื่อยๆนั่นเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาทางปัญญาแล้วปัญญาก็จะเป็นปัญญาที่มีพลังที่จะสามารถระงับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้แล้วเมื่อ เมื่อนะครับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างยั่งยืนอย่างถาวรเมื่อไม่มีเหตุที่จะพาให้มาเกิดคือความอยากต่าง ๆ, ๆ, ๆที่ได้ถูกปัญญาทําลายไปหมดแล้วการกลับมาเกิดก็ไม่มีอีกต่อไปการเกิดแกเจ็บตายก็ไม่มีเพราะไม่มีการเกิดเม่อเพราะว่าไม่มีความอยากความอยากไม่มีก็เพราะว่าเห็นตายรักเห็นตายรักในเรื่องของการในในเรื่องของ ของพบชาติต่างๆว่าพบชาติต่างๆนี้เป็นตายรักเทิงอย่ามาเกิดดีกว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดแล้วต้องต้องมีการดับถ้าไม่อยากจะเจอการเกิดดับก็อย่ามาเกิดเพราะไม่เกิดก็ยังไม่มีการดับใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วเรียกว่า น, นิพพานคําว่านิพพานนี้คือใจที่สะอาดบริสุทธ ได้รับการชำระด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมจนกิเรตันหาเครื่องเศร้าหมองเครื่องสโสภปรกต่างๆที่ทำให้ใจไม่สะอาดนี้มันถูกทำลายไปหมดใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเมื่อใจสะอาดบริสุทธิ์ก็ไม่มีอะไรที่จะมาดึงใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ให้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อไปนี่ก็คือหน้าที่ของชาวพุทธเราที่พระเจ้าต้องการให้เรามาปฏิบัติกันมาทากันในวันพระ ถ้าเรามีการปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันพระเรารับประกันได้ว่าเราจะได้เริ่มเห็นผลของธรรมคือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงแล้วมันจะทําให้เราเกิดมีศรัทธาอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นต่อไปเราก็จะเพิ่มวันปฏิบัติจากาที่แล้วหนึ่งวันเป็นสองวันเป็นสามวันแล้วต่อไปเราอาจจะอยากจะปฏิบัติทุกวันเลยก็ได้เราก็สละเรือนไปไปอยู่แบบนักบวชต่อไป เมื่อเราปฏิบัติได้อย่างเต็มร้อยแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มร้อยอย่างแน่นอนไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีตามที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรถ้าได้ปฏิบัติอย่างสุ ป, ปฏิปันโนแล้วพระเจ้าบอกว่าไม่ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องสําเร็จอย่างแน่นอนอนี้ก็คือเรื่องของของลถแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงที่เรามาสร้างกันในวันพระนี้ก็ คิดว่าพอสม่วนแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวาหาปุราตริปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังปะกปติอิจิตังปะทิตังกลุ่มหังเขปะเมวะสมิจโตสาเพปุเรนตูสังกปา สันโุปันนาโสมยาทามณนีโชติอาลัยาทาสัพพ <iny> ิติยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตะวันตาลาโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจจังวุทตาปะจายโน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 ทางทีมงานก็จะช่วยเอามาอ่านให้ฟังวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานาคุตจากทางเฟซบุ๊พระอาจารย์สุชาติ369ท่าน YouTube พระอาจารย์สุธาติ6 3 youtube สิบส5มยูทูบด็อกรห้าิบห้าคับ์หนาคุต221รยรวมทั้งหมด 1,025 พยบห้าท่านค่ะ คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าเราถือศีลแปดอยู่บ้านศีลข้อเจ็ไม่ให้เครื่องหอมแต่หน้าหนาวต้องใช้โลชั่นทาผิวเพราะถ้าไม่ทาผิวจะแตกแห้งละคันอยากทราบว่าโลชั่นพวกวาสลีนทาผิวไม่ให้ผิวแตกผิดศีลไหมคะถ้าใช้เพื่อรักษาไม่ผิดถ้าใช้เพื่อเสริมสวยความงามผิดนะอยู่ที่จุดประสงค์ของการใช้นะ ถ้าใช้เพื่อรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยในไม่ผิดเป็นยาแต่ถ้าใช้เป็นแบบเสริมเสริมสวยความงามเป็นเครื่องสำาง่างเนี้ยผิดธรรมสการค่ะหลวงพ่อคำถามฝากถามเจ้าค่ะมักแปดเหตุใดมักแปดจึงเป็นเหตุแห่งการสู่พ ธ, ธิพาณเจ้าคะก็เหมือนเวลาเราจะสร้างบ้านเราต้องมีอะไรบ้างนะต้องมีอิฐ หินปูนทรายใช่มไหมถึงจะสร้างบ้านได้ใช่ไหมนิพานก็เป็นเหมือนบ้านแต่สร้างอนิพานขึ้นมาได้ก็ต้องมีมรรคแปดเป็นส่วนประกอบเป็นเหมือนเด็กหินปูนทรายที่เราใช้สร้างบ้านเนี่ดัั้นต้องมีมรรคแปดจะมีความเห็นท right? ี่ถูกต hmm. ้องมีความคิดที Kung ่ถูกต้องมีการกระทําท <ielle> ี่ถูกต้องมีการพูดที Often ่ถูกต้องมีอาชีพที่ถูกต้อง มีความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องและมีสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องถ้ามีส่วนประกอบเหล่านี้ก็าสามารถสร้างพลังิผ่านขึ้นมาได้คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ ผมเห็นจิตคิดจิตผู้จิตเฉยเฉยจิตสุขจิตทุกข์เฝ้าดูเฝ้าเห็นผมใช้ชีวิตประจำวันตามสมมติของโลกไม่ยึดติดยึดมั่นว่ามีตัวตนเห็นเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของจิตเห็นจิตไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกขณะผมเฝ้าดูต่อไปผมปฏิบัติถูกต้องแล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่ถูกต้องคือต้องจะข้อสอบก่อนทั้งจะรู้่ถูกแล้วไม่ถูก เช่นใครมาเอาแฟนเราไปนี่แล้วเราทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าเราเฉยๆมีเกิดมีดับมีมามีไปนี้ก็ถูกต้องปฏิบัติเพื่อให้ใจเราปล่อยวางแต่เราจะรู้หรือเปล่าว่าเราปล่อยได้หรือไม่ก็ต้องตอนที่เราเสียของที่เราลักไปถ้าตอนที่เราเสียของที่เราลักไปแล้วเราเฉยๆมีเกิดมีดับมีใครมาหลอกเอาเงินไปทักล้านอย่างนี้ก็เอาไม่เป็นไรเอาไป มีมาแล้วก็ต้องมีไปไ ม, ไม่ไม่ทุกไม่เดือดร้อนอย่างเนี้ถูกต้องแต่ถ้าดูจิตเฉยๆตอนนี้มันไม่ได้เสียอะไรนี่ฮยน้อ ง, องเสียอะไรของที่เราลักดูเลยแล้วดูเสียว่าเราทําใจได้หรือเปล่าปล่อยวางได้หรือเปล่าถ้าทําใจได้ปล่อยวางได้ก็ถูกต้องอย่างนั้นต้องไปหาข้อสอบไปทําข้อสอบมีเงินบริจาคไว้สักล้านหนึ่งดูดูดมันเป็นยังไงถูกไวยมาหกล้านแบบ่งไปล้านหนึ่งไปทําบุญ ไหนก็ได้อยากจะทําบุญที่ไหนก็ทําไปดูที่ว่าทําได้หรือเปล่าหรือยังยึดติดอยู่มันอยู่คําถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะอยากเก็บเงินเยอะๆไว้สร้างวัดสร้างโบสถ์ครับตอนนี้กําลังเก็บจะได้บุญเยอะไหมครับตายไปได้เป็นเทวดาไหมครับกลับมาชาติกลับชาติมาเกิดคงจะเป็นเศรษฐีนะครับอ๋อสู้สร้าง ทำใจให้เราเป็นพระแม้ได้สร้างสร้างพระในใจเราดีกว่าอันนี้จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดตามเป็นพระอริยบุคคลไปเลยเป็นพระโสดาบันพระสกิฎาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่องใ ห, ให้สอนสร้างวัดแบบนี้คือสร้างพระในใจของเราพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดเลยแม้แต่วัดเดียวแต่สร้างให้สร้างคนให้เป็นพระอริยบุคคลเป็นหมื่นเป็นแสนคน คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะเสียงนิมิตที่มีเนื้อหาไม่ใช่พื้นฐานของตัวเราหรือจิตเราส่งเสริมบอกเล่าทั้งสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ไม่มีความหมายบางอย่างไม่เคยคุ้นชินหรือไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยครับแบบนี้เชื่อได้ไหมครับหากเสียงนั้นมีการสอบถามถึงสภาวะต่างๆของเราทั้งที่เราทราบได้ด้วยสติ อยู่โดยไม่ตอบหรือไปตอบแบบไหนจะถูกผิดครับถ้าไม่รู้ก็ปล่อยมันผ่านไปพิจารณาเป็นตายแั้งเป็นไปเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันจะมาก็มามันจะไปก็ไปถ้าเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็เอามาใช้มันถ้าไม่รู้จักเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ปล่อยมันไปอย่าไปยุ่งกับมัน คำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะการแต่งรูปลงโซเชียลแต่งสีปรับขนาดเพื่อให้ภาพออกมาสวยผิดศีลข้อสี่หรือเปล่าคะไม่ผิดเราไม่ได้เกี่ยวตัวเราการแต่งเนื้อแต่งตัวสำหรับตัวเราต่างหากที่ผิดถ้ า, าถึงศีลข้อสิแปดเราไม่ต้องการเสริมสวยความงามของร่างกายของเราแต่เวลาที่เราทางานเกี่ยวกับเผยแพร่สื่อบางทีเราก็ต้องแต่งภาพให้มันดูเรื่ ชนให้คนมีความสนใจในภาพที่เราพยายามที่จะเสือให้เขาเห็นถ้าเป็แต่งภาพที่ดูแล้วเละเทโสกปกเขาก็ไม่มีใครอยากจะดูคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะโยมฝึกมานานโดยจิตเข้าไปในพุทโธแล้วพร้อมกับลมหายใจควรแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะ้ลองลองถามใหม่สิ โยมฝึกมานานโดยจิตเข้าไปในพุทโธแล้วพร้อมกับลมหายใจควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะก็อยู่ที่ว่ามันใช่แล้วมันได้ผลหรือเปล่าถ้าได้ผลก็ไม่ต้องแก้ไขอย่างไรถ้าไม่ได้ผลก็ลองเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดูฝึกที่ละฝึกทีละอย่างลอาพุทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจเรื่องลมอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวเดินดูลมอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับพุทโธ คำถามจากทางเ Facebook พระอาจารย์สุชาติค่ะอาการที่ตกจากที่สูงบ่อยๆทําให้เกิดความกลัวตั้งสติไม่ได้จนไม่อยากนั่งสมาธิทุกวันนี้เจริญสติรู้กายรู้ใจขอท่านพระอาจารย์เมตตาชี้ทางให้ลูกด้วยค่ะต้องเจริญสติอยู่กับกายอย่างเดียวไม่ต้องรู้กายรู้ใจเฝ้าดูว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ทั้งวันทั้งคืน ให้ใจมีสติมีความเข้มแข็งแล้วต่อไปเวลาเจอเหตุการณ์ในสมาธิก็จะเฉยได้คำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติค่ะอาชีพขายหวยขายลอตเตอรี่บาปไหมคะไม่บาปหรอกไ ม, ไม่ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้โกหกหลอกลวงใครมันสินค้าอย่างหนึ่งคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะ การจะฝึกสติเพิ่มสมาธิจนเข้าสู่ขั้นปัญญาได้อย่างไรครับเขาลองฝึกสติทั้งวันเช่นวันนี้วันพระไปอยู่วัดสักวันหนึ่งวันไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำงานทำการไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมที่วัดนีแล้วสติก็จะมีมากขึ้นคำถามจากทางเฟซบุกพระอาจารย์สุชาติค่ะ ก่อนพิจารณาปัญญาอาจารย์บอกว่าต้องควรมีสมาธิก่อนที่โยมเข้าใจคือใจสงบระงับอารมณ์ต่างๆแล้วค่อยพิจารณาธาตุกายแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่เหรอเวลาทำสมาธิยังไม่ต้องพิจารณาทางปัญญานะเวลาจิตสงบก็พยายามรักษาความสงบให้มันสงบไปนานๆไว้รอเลือนั่งสมาธิแล้วค่อยมาเจริญปัญญาต่อ ออกจากสมาธิมาแล้วเราค่อยมาเจริญปัญญาเช่นตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เราสามารถคิดไปในทางปัญญาได้ก็คิดไปเลยแต่เวลานั่งสมาธิอย่าใจอย่าเราต้องการหยุดความคิดไม่ใช่ให้มันคิดเพราะเราต้องการความนิ่งความสงบให้นานๆแัง้นเวลาจิตนิ่งสงบแล้วอย่าคิดให้มันนิ่งสงบต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จนกว่ามันจะถอนออกมาแล้วเราค่อยเริ่มคิดพอเริ่มคิดแล้วทีนี้เกามาคิดทางปัญญาต่อได้ ยังไม่มีคําถามเลยยังไม่มีคําถามค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้น ะ, ะมไม่ต้องพยายามนึกาคําถามนะถ้าไม่มีคําถามก็ไม่ต้องลงไปถามเลเรื่องนี้สําหรับคนที่มีคําถามแล้วไม่กล้าถามเกรงใจอะไรอย่างนี้ก็ถามได้ไม่เป็นไร <c oughs> เป็นประโยชน์ทั้งคนอื่นด้วยทั้งกับตัวเราด้วย เพราะต่อไปคนอื happened, it, own, same, general, own, ่นเขาอาจจะเจอปัญหาแบบนี้ก็ได้ตอนนี้เขายังไม่เจอเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขามีปัญหาแบบนี้แล้วพอเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังวิธีแก้มาก่อนเขาก็จะแก้ไม่ได้แต่ถ้าตอนนี้เขาได้ยินได้ฟังวิธีแก้ปัญหาไว้ก่อนถึงว่าตอนนี้เขาไม่มีปัญหาแต่ต่อไปก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเขาก็ได้เขาก็จะได้เอาวิธีที่เขาได้ยินนี่มาแก้ปัญหาให้กับตัวเขาได้ คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะครารวาสอนธรรมศีลห้าต้องครบไหมครับคือการสอนธรรมนี่มันต้องมีธรรมก่อนถึงจะสอนได้เหมือนการจะแจกเงินให้คนต้องมีเงิ น, นแจกก่อนถ้าเงินปลอมมาแจกเหมือนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาแบงก์เก้มาให้คนคนเขาเอาแบงก์เก้ไปซื้อของไม่ได้เพาะงั้นก่อนที่เราจะแจกอะไรเราต้องมีของแจกก่อน ถ้าเรายังไม่มีอย่าเพิ่งไปแจกไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะก็ต่างถ้าเราไม่มีของของเราเองก็เอาของคนอื่นก็ได้เช่นะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างวัดต่างๆเวลาเขาแสดงธํามนี้เขาจะคัดคําสอนของพระพุทธเจ้าลงมาใส่ไว้ในใบลานแล้วก็นั่งอ่านอย่างนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้ได้อยู่แต่ท่าน อ, อ, อย่าเจ่าอยากอยาเอาคําสอนที่เป็นของเราเองที่เราคิดขึ้นมาเอง ที่เรายังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นทำแท้แล้วทำปลอมถ้อาอย่างนี้ก็อย่าเอามาสอนถ้าราับพิสูจน์แล้วว่านี่เป็นทำแท้เอามาดับความทุกได้เอามาสอนได้แต่ถ้าเรายังไม่มีอยาจะสอนคนอื่นก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ า, ามาสอนดีกว่าเอามงคลสามสิบปดมาอา่านให้เขาฟังกันมงคลข้อที่หนึ่งมีอะไรบ้างไม่ครบคนพานครบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่ง อันนี้เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้า hmm. สอนได้งั้นอยู่ที่ว่าทำที่เราสอนนี้เป็นทำทำแท้หรือไม่ถึงแม้จะเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราก็ไม่เป็นไร hmm. ถ้าไม่เป็นของเราเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอหรหันต์นี้เอามาสอนสอนได้แต่ hmm. ถ้าจะทําของเราเองมาสอนนี้โดยที่เราไม่รู้ว่าทำที่เราเอามาสอนนี้ดับความทุกข์ได้หรือเปล่าก็อย่าเพิ่งเ อ, อา ม, มาสอน คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะอัตตาหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพอถึงสุดท้ายแล้วตอนนี้ต้องทิ้งไปด้วยไหมครับคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายความว่าเราต้องปฏิบัติเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งทางด้านคําสอนพระพุทธเจ้าสอนเราให้ปฏิบัติแต่เวลาปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าปฏิบัติให้เราไม่ได้เราต้องปฏิบัติเองเราต้องเป็นอัตตาหิอัตโนโนา โ, โถ อัตตาหิอัตโนนาโถจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อเราบรรลุถึงพานิพานแล้วเมื่อเราถึงพานิพานธ์แล้วเราก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมอีกต่อไปอัตตาหิอัตโนนาโถก็หมดปัญหาไปคําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะขณะที่จิตสงบมีสติตามอยู่ด้วยไหมเจ้าคะอ๋อมีสติต่อเวลาจิตสงบนี่ถ้าไม่มีสติก็หลับไง คนสวยย่วนใหญ่นั่งสมาธิแล้วหลับแล้วคิดว่าอยู่ในสมาธิแต่ความจริงมันไม่มีสติแนละ้วมันหลับเหมือนคนนอนหลับถ้ามีสมาธิมีสติแล้วมันจะไม่หลับมันจะรู้ตัวตลอดเวลารู้ว่าตอนนี้จิตที่เคยฟุ้งซ่านมันสงบลงนะจิตที่เคยวุ่นวายมันหายไปแล้วมันเหลือแต่ความนิ่งความสงบอย่างนี้เรียกว่าสมาธิมีสติต้องมีสติตลอดเวลาคําถามจาก คำถามจากยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะพระอนาคามีหมดสิ้นความโกรธทุกอารมณ์ไหมครับความโกรธนี่ยังไม่หมดทนะ่จาจะหมดก็ต้องภาสนอาหารทนะั้นถึงจะความโกรธ ถ, ถึงจะหมดได้พระ อ, อ, อนาคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันนี่ยังมีความโกรธอยู่ คำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติค่ะชอบฟังธรรมนะคะและไม่เคยมีข้อสงสัยแต่มีปัญหาคือหลังจากจบการฟังแล้วก็จะลืมสติไม่ทราบจะทำอย่างไรดีคะอ่าก็จะลืมสติแล้วไม่ทราบทำยังไงไหมครับ ว, ว่ายัางไงหมายความว่าพอฟังธรรมแล้วก็มักจะลืมพอจบฟังธรรมแล้วก็มักจะลืมสติต้องทำอย่างไรดีคะก็ต้องดึงสติกลับมาด้วยการ อาจจะระลึกถึงธรรมที่เราเพิ่งฟังมาก็ได้ทบทวนอยู่เรื่อยๆในใจเราว่าวันนี้เราได้ยินได้ฟังธรรมอะไรบ้างใด้ฟังเรื่องบาปบุญนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรเอามาทบทวนก็ได้อยู่นี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมานุสติใช้ธรรมะเป็นเครื่องเจริญสติหรือว่าถ้าเราจะไปทำงานทำการทำอะไรเราก็มีสติอยู่ ง, งานที่เรากาลังทาอยู่เช่นเรา อย่าไปล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ำอาบท่าให้มีสติอยู่งานที่เราทำอยู่อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นการเจริญสติต่อไปได้คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะเมตตาตกบ่อหมายความว่ายอย่างไรครับใครได้ยินคำถามนี้นะแล้วจะไม่รู้คำตอบเหมือนกันรู้แต่ว่าเมตตาเมตตาก็ให้มีความรัก ความสงสารผู้อื่นเห็นใครเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาไปเห็นทุกคนเป็นมิตรไม่มีศัตรูใครเขาทำร้ายเราก็ให้อภัยเขาไม่โกรธเคืองเขาอันนี้เป็นเมตตาแต่ตกบ่อ น, นี้ไม่รู้มาจากที่ไหนคำถามจากทาง a ฟ e b o o k พระอาจารย์สุชาติค่ะย่านกับชาญแตกต่างกันอย่างไรคะ ญาณเป็นความรู้การรับรู้การรู้ว่าตอนเองได้ดูท้นจากความทุกข์เ้านี่เรียกว่าญาณฌา น, านคือความนิ่งสงบของจิตไม่คิดปรุงแต่งเรียกว่าสมาธิงั้นญาณก็คือปัญญาฌานก็คือสมาธิคําถามจากคุณพรทิพย์ค่ะนั่งสมาธิแล้วปวดหลังเอวเข่ามากจะผ่านจุดนี้ไปได้อย่างไรคะเข้าเวลานั่งดูหนังมันผ่านได้เปล่าเลย คำถามจากทางเฟ e บ o o k พระอาจารย์สุชาติค่ะตัวเราคือตัววิญญาณที่อยู่ในขันห้าหรือเปล่าคบตัวเราเป็นเป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ผู้คิดที่มีวิญญาณความสามารถที่จะไปเชื่อมต่อกับร่างกายได้คือธาตุรู้คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้มีวิญญาณในขันห้า วิญญาณในขัน่าก็เป็นส่วนประกอบของใจของผู้รู้คำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าเราโอนเงินร่วมทำบุญโรงทานออกงานถวายครูบาอาจารย์เราจะได้อ น, นิสงส์เหมือนเราไปออกโรงทานเองหรือเปล่าคะ เ, ออเงินที่เราเบอร์จากไปนี้ได้เหมือนกันว่าจะไปเบอร์จากเองหรือ ว, ว่าจะฝากใครเข้าไปบุญที่ได้จากการเบริจากเงินก้อนนี้เท่ากัน แต่บุญที่เราจะไม่ได้ก็คือความเพียรความการกระทําเพราะเราไม่ได้ทําอะไรเราฝากให้คนอื่นเขาทำให้เราของที่เขาทำให้เรานะี่ยนะเขาจะได้บุญส่วนนี้ไปบุญที่เกิดจากการทําความเพียรคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะเปิดร้านอาหารมีขายเหล้าสุราถือว่าเป็นบาปไหมครับไม่บาปแต่เป็นอาชีพที่ไม่ไม่ควรจะทําเพราะเป็นการส่งเสริมให้คนทําบาป งั้อย่าอย่าไปขายโซลาอตัวเราไม่ดื่มไม่บาปนะแต่เราจะไปสนับสนุนให้คนาหนึ่งเขาเขาดื่มโซลากันแต่พอเขาดื่มโซลาแล้วเขาไม่มีสติเขาก็อาจจะไปทําร้ายผู้อื่นได้ถามคำถามสุดท้ายหมดหรือยังคําถามสุดท้ายนะคะจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ ถ้าเราไปวัดแล้วมีพระอยู่หนึ่งรูปไม่มีผู้ชายเลยแต่ผู้หญิงเยอะหลายคนผิดศีลไหมคะตามหลักพระวินัยก็ผิดศีลเพราะว่าต้องมีผู้ชายอยู่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งคนและผู้ชายนี้ต้องไม่ใช่เป็นเด็กไร้เ ด, เดียงสา <S S S S S ต้องเป็นเด็กที่มีรูปผิดถูกดีชั่อ <S S S 2> เพื่อป้องกันไม่ให้พระไปพูดไปทาอะไรกับสุภาพสตีนั่นเองฉนั <S S S ้นถ้าเป็นไปได้ก็ ควรจะ ม, มีผู้ชายไปด้วยจะดีกว่า mm hmm. เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะตามมาเพราะเวลาผู้หญิงกับผู้ชายอยู่กันตามลำพังนี้ mm hmm. ก็อาจจะอาจจะมีทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะกระทําได้จะ mm hmm. ทําให้ศาสนามัวหมองจะทําให้พระมัวหมองเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ mm hmm. อันนี้เกิดขึ้นก็ควรจะมีผู้ชายไปกับเราด้วยถ้าเราเป็นผู้หญิง แต่ถ้าเรารู้ว่าที่วัดมีคนหลายคนมีทั้งหญิงทั้งชายอยู่เช่นตอนนี้มาที่นี่มีทั้งหญิงทั้งชายมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเราเป็นผู้หญิงมาคนเดียวก็ไม่เป็นไรมาได้มหมดแล้วนะอา่าคำถามสุดท้ายค่ะคำถามจากทาง foilm youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะพิจารณากาย<ฆ>เวทนาจิตธรรมจะต้องพิจารณาอย่างไรคะต้องทาทีละอย่างขั้นตอนในพิจารณาร่างกายก่อน กนที่จะพิจารณาร่างกายได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนก่อนที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีศีลแปดก่อนนล้วรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปนั่งสมาธิให้ได้สมาธิก่อนพอได้สมาธิแล้วค่อยไปพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสาสิบสองไม่สวยไม่งามอันนี้ค่อยพิจารณาทีลอย่างพอเข้าใจร่างกายแล้วปล่อยวางร่างกายได้แล้วเขาไปพิจารณาเวทนา